ทำไมบังเอิญอย่นี้เจอเธอพอดีรอนไม่ได้ตั้งใจทำเป็นใช่ทำเป็นไม่มองไปซนดั้งที่หัวใจจำน้นแล้วมันเต้นแรงจำทนแท่ไม่ไหวคนทีน่ชา่ากำลังจะเดินผ่านไปถ้ายังใช้สงสัยเลยฉันท่จะบ้าอยู่ตรงนี้ทำกำรวกคนมากมายแต่ว่นในใจของฉันช่างรู้สึกไร้า แค่ช่วพริ้ตาก็เลยผ่านไปแค่ไม่อยากนึกแล้วต้องมาเสียใจเสียน้ำตา แันจะดีแสนดีแค่ไหนคงจะล้ายลราไปถ้าเราไม่ได้ทำายู่ในมืคว้าไปสิเราลองดสักคนเอื่อมือไปจะทนหรือไป่ต้องห้ามจะขามันได้และเติบโตไรมากฉันปล่อยให้ ใ, ใจกระโดดไปหาเธอนะคนดีเมืองบนเจ้ขาขาดได้โปรดช่วยดนให้คำนั้นพวดว่าชอบฉันชอบฉันวันสักทีก็เด็กครูยิงยังเราชอบส ก, กาตัวหัว All right. คน